ซึ่งมันบรารมีพอเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็จะออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเมื่อนั้นซึ่งถ้าใครใครเข้าใจจุดนี้ได้จะรู้เลยเขาถึงได้บอกไงว่าทุกคนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่ออย่างนั้นทุกคนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเพรา ะ, ะนนคนที่จะชนะใจตัวเองได้นี่แหละทํำไปเถอะทาไปทําไปทําไปในที่สุดก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าจนได้เพียงแต่ว่านานแค่ไหนอที่คนนั้นเนี่ย จะสั่งสมบา ร, รมีได้มากพอจนกระทั่งเป็นได้นะอันนี้พูดอันนี้เพื่อให้เพื่อให้เข้าใจให้มากขึ้นวันหลังเนี่ยเวลาเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาอะไรเราจะได้อย่าไปหมดกําลังใจเรายิ่งจะต้องพยายามมีกําลังใจแล้วเราจะต้องพยายามต่อสู้ไปเรื่อยๆมันต้องชนะได้สักวันหนึ่งอะถ้าไม่ชนะชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชนะชาติหน้าก็ชาติโน น, นมันต้องชนะจนได้อะ ู้เท่านั้นคือผู้ชนะน่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผู้รู้จักมองตนอย่างจริงจังทุกครั้งที่มีเรื่องเกิดขึ้นเราจะต้องก้มมองเฝ้าดูแต่อาการของจิตเราโดยส่วนเดียวเห็นจุดอ่อนจุดบกพร่องหรือความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเราให้ได้ไม่ใช่เอาแต่คอยชะเง้อหรือชี้นิ้วโทษผู้อื่น ให้วุ่นวายเออเกกนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละในไม่ค่อยที่จะชี้ตัวเองสักเท่าไหร่ปัญหาของพวกที่เป็นโรคฮิสตีเรียทั้งชนิดกล่องใหญ่หรือจะเล็กขนาดบรรจุซองก็ตามต่างก็ร้วนมาจากความไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาว่าไม่มีใครใดเลยที่ทำเราทุกนอกจากตัวเองจริงๆ สภาพรอบตัวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระจกเงาที่สะท้อนความมีกิเลสความที่จิตยังเลวยังต่ำของเราต่างหากคืออันนี้เขาพยายามชี้ชัดตรงไปอีกพอนจริงๆแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้เลยถ้าเราไม่ทุกข์สัอย่างน้ <c oughs> าฟังดูให้ดีนะหมายถึงจะททำใจเรานะไม่มีใครทำใจเราเนี่ยให้ทุกข์ได้เลย ถ้าใจเรามันไม่ทุกข์เสียอย่างแต่เขาทำกับร่างกายเราได้ไหมอ่าก็จับไปมากหรือว่าเขาจับไปตึงตะปูตึงไม้กางเขนได้ไหมได้แต่เขาจะจับจิตจิตวิ ญ, ญญาณเราเขาจะจับจิตใจของเราเนี่ยเอามาตึงไม้กางเขนเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะัจิตของเราเนี่ยมีเราเท่านั้นนะ่ะเป็นใหญ่ ความหมายของคำว่ามองตนสำหรับบางคนแม้จะใช้เวลาทั้งชาติก็ยังไม่รู้เรื่องซึ่งก็เป็นความจริงผู้ใดก็ตามที่โทสะยังเกิดเสมอปฏิฆาก็มีบ่อยความขุนใจเคืองใจมักจะรามเรียออกมาอาการหวันไหวในเชิงซ้อนเหล่านี้ต่างก็ร้วนเป็นเพราะขาดการคร้ควรด้วยปัญญาในแก่นแท้ของ การมองตนนั่นเอง <c oughs> ที่ไม่ยอมมองตนซับเทคนิคเขาก็ว่าเพราะมานะมันแรงมันไม่ลงให้ใครง่ายๆมันทั้งชูหัวชูหางทั้งหญิงยโสบางคนภายนอกกลับอ่อนโยนอ่อนน้อมอย่างเหลือแสนก็มีถมไปพวกนี้ก็น่าจะเรียกว่ามานะสวมหนวม <c oughs> เอช่างคิดคำนะเป็นยังไงมาน่าสวมนว ม, ม, มนะแหมดูแล้วมันนิ่มนิมนะนวมนี่ดูมนันนิ่มนะิมนะแต่เวลามันเปียกใส่เราไม่นิ่มนะมันเน่านอกเลยนะมันเจ็บนะออแหมเข้าใจใช้นะมันน่าสวมนวม <c oughs> แล้วมันแยกว่า มันแย่กว่าไม่สวมนวมหรอือเปล่ากําปั้นรุ่นๆนี่เปียงเลยอะอะอะไรแย่กว่ากันฮะมีนวมกับไม่มีนวมอันไหนอันหแย่กว่ากัน<ม>คือคือมีมานะชนิดไม่ต้องสวมนวมอะ่ะกับมีมาน้แบบสวมนวมนี่ยังไงยังไงเจ็บกันกันอ่ะนะเอาไม่สวมนวมนี่เราเจ็บมากกว่าเหรอเอาแล้วคนอื่นนะ คนอื่นนะคนอื่นเจ็บมากกว่าเหมือนกันใช่ไหเว่า <c oughs> อะไรแย่กว่ากันไม่มีนวมแย่กว่านะแน่ใจมันจะแย่กว่าก็ได้หรือว่าจะไม่แย่กว่าก็ได้ <c oughs> นะ <c oughs> คืออย่างนี้ไงอ้าวเดี๋ยวอาตมาจะลองสมมติตัวอย่างนะคนที่สมมุติว่าบางทีเนี่ยนะไม่ อ, อ่อนน้อมกับเราเลยนะแข็งแข็ง นะแข็งแขงแต่เราเห็นเลยว่าไอคนนี่โอ้โหม า, มาหน่าใส่เราจริงๆเลยอัดเราก็อัดแรงด้วยนะเรายยโย่เราก็อัดกลับแรงๆเหมือนกันนะอ่า น, านลักษณะหนึ่งนะกลับเราเจออีกคนหนึ่งดูแล้วรู้สึกนิ่มๆใส่เราเลยนะแต่โอ้โหเวลาอัดเราเนี่อย่าบอกใครเหมือนกันนะออัดเราแรงๆนะพูดนุ่มๆนี่ยนะแต่เสียบลึกอะ่ะโอ้โหอา้าว ถ้าอย่างเงี้ยบางทีใจเราเองเราชอบเจอคนแบบไหนมากกว่ากันนะฮะอ่าอ่าะอ่าเห็นไหมอาจมศถึงบอกว่ามันไม่แน่ใช่ไหเอ่ไม่แน่นะเพราะบางทีนี่บางคนเนี่ยยังจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่สวมนวมอย่างนี้นี่มันซื่อตรงดีนะคือถึงแม้ว่าอระวังก็ง่ายกว่าใช่หมเห็นเห็นอยู่ว่า นิ้วมีกี่นิ้วนะัเห็นเห็นอยู่นะแล้วก็ใส่สนับหรือเปล่าก็เห็นอยู่นะแต่บางทีไอ้สวมนวมมานี่เราสึกว่าโอ้โหเขาอ่อนน้อมกับเราเหลือเกินนะโอ้โหนึกไม่ถึงเลยว่าอืมจะเสียบหลังเราอย่างนี้บางทีใช่ไหมพ่าบางทีบางคนนี่เขาเขาเกลียดมากกว่านะไอแบบมาหน้าสวมนวมเนี่ยบางคนเขาเกลียดมากกว่าพระธรรมึงบอกว่าไม่ตายตัว แต่เหมือนกันแหละอันมาบอกบางทีเราก็โหทนไม่ไหวเหมือนกันนะกับคนที่ไม่สวมรวมเนี่ยมันหยาบจริงๆอ่ะโอ้โหมันหยาบมากเลยมันแรงจัดจริงๆอ่ะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไม่ไหวไอ้อย่างนี้มันมันน่าจะเอาผ้าพันมือซะมั้งแม้ไม่มีนวมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจามาชัยบอกว่ามันไม่ตายตัวทีเดียวหรอกเอ้ามีอีกแง่นึง อาอันนั้นแสดงว่านมเขาดีมียี่ห้อนะนะคืออันนี้ปะเขาพูดในประเด็นที่เรียกว่าจริงๆคนนั้นน่ะเขาก็เจตนาดีแหละ เ, <อ>เขาพยายามที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าพยายามที่จะสำรวมแต่เวลาเขาขึ้นมันบางทีมันก็แรงเข้าใจไหมเออไอ้ท่านอย่างนี้จริงๆนี่เราเราต้องมองให้ออกหละ นะแล้วจริงๆถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มันไม่น่าจะไปเรียกว่ามานะสมนวมหรอก mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วในที่นี้อาจจมาเข้าใจว่าเขาใช้คาว่ามานะสมนวมเนี่ยมันหมายถึงว่าจิตมันไม่ค่อยดีจิตมันโน้ไมไปทางไม่ดีแต่ว่าเหมือนกับว่าทำอ่อนน้อมไงเหมือนกับ mm hmm. ทำดีไงเนี่ยเขาบอกว่าไงม เนี่ยบางคนไภายนอกกับอ่อนโยนอ่อนน้อมอย่างเหลือแสนก็มีถมไปใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหแรงเนี่ยมาณนะแรงอ่าอันนี้เขาเข า, เขาพูดอย่างกลางนี่นะเขาพูดอย่างกลางว่าเออบางคนเนี่ยบุคลิกอะ่ะบุคลิ ก, กภาพเขาเขานิ่มๆเขอ่อนโยนแต่เวลามานะขึ้นแล้วเขาถึงจะแรง ถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่ปางเขาบอกมานะว่าเขาไม่ได้เจตนาแกล้งไม่ได้เจตนาแกล้งทำเป็นนิ่มๆหรอกแต่บุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่เกิดนะมันมันเป็นนิ่มๆ อ, อ, อ, อย่างนี้เองพูดนิ่มๆพูดเนิบๆพูดเพราะๆอะไรเงี้ยเขาเป็นของเขาเองตามธรรมชาติเขาไม่ใช่เขาแกล้งแต่ว่าพอเวลามาน่าขึ้นนะ่ะด่าเจ็บเหมือนกันน่ะ นะเออเรากร็เราก็จะรู้ว่าเออคนนี้เขาเขาเป็นอย่างนี้เองนะแต่บางคนที่ตะกี้อาตมาพูดทีแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าแกล้งเนี่ยใช่ไหมแหมทำเป็นอ่อนน้อมทำเป็นอะไรแต่พอเวลาอัดเรานี่ก็โอ้โหเจ็บเจ็บปวดปวดหน้าดูเลยนะเออเขาก็จบง่ายๆเลยนะสามข้อหัวข้อที่สาม หัวข้อว่าความป่วยไข่เอ่อนะเอาไว้เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเรามาขึ้นหัวข้อที่4กันต่อวันนี้เรามาเริ่มกันต่อนะหัวข้อที่สี่คือเขาใช้คาตัวเดียเาใช้คาว่าสู้วิธีนี้เป็นกา ร, รเผชิญเข้าหาปัญหาเหมือนกันแต่บางรายแทนที่จะออกหัวกลับกลายเป็นก้อยไปดูเผินๆก็นึกว่าสู้แต่ก็สู้ไม่จริงหรอก เหมือนคนทำท่าจะเข้าบ้านตัวเองตรงดิ่งเข้าไปเปิดประตูแต่กลับไปเปิดผิดบ้านเสียนี่เป็นการเลี่ยงโดยไม่เจตนาเดินเข้าไปหาตัวปัญหาแต่ก็ฉลบออกซึ่งมีอยู่หลายวิธีการดังนี้นเขามีขยายเขาวนี้นะเป็น 4.1 อันนี้หัวข้อที่4นะแต่มี 4.1 การเรียกร้องความสนใจ attention getting นี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาความคับข้องใจอีกแบบหนึ่งเดกเ็กเล็กเมื่อนอนอยู่ในเปลอย่างโดดเดี่ยวก็จะเริ่มต้นร้องไห้เพื่อที่จะให้คนมาสนอกสนใจตัวสาวน้อยอยากมีแฟนสักคนจะมามัวเห็นคุณธรรมภายในมันก็ไม่ทันใจยุคนี้ปริมาณความสำคัญยุคนี้ปริมาณ ย่อมสำคัญกว่าคุณภาพว่าแล้วแม่คุณก็แต่งตัวสีสันฉูดฉาดปาดตาออกเดินเตร่นอกบ้านยิ่งอยากหนักเข้าเสื้อผ้าที่ใส่มันก็ชักจะรัดรูปหรือไม่ก็น้อยชิ้นลงหรือไม่ก็เว้าตรงนั้นแหวงตรงนี้ทุกวันนี้ในสังคมป่าคอนกรีตเราจึงเจอแต่ชนีพันใหม่ที่ชื่อว่าพันคอนกรี ซึ่งมีเสียงโหยหวยขวนค่ำครวนและเกลี้ยกลาดกว่าพันเก่าเน้ช่างเน็บแนบนะรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นชนีพันใหม่พันที่ช อ, อบแต่งตัวฉบับชาวบ้วบนเะนีเราก็ไปเดินตามถนนหนทางต่างๆนะในเมืองเนี้ยก็เรียกว่าเป็นพันคอนกรีตแสดงว่าทั้งหนาทั้งแข็งทั้งกระด้างนะพันคอนกรีต ก็เป็นการพูดแบบเน็บแนมะนะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเจตนาให้ให้เน้นตรงเรียกว่าบางคนนี่อยากจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองแต่แก้โดยวิธีการเรียกร้องความสนใจนะเรียกร้องความสนใจวันเนี้ยก็แต่งตัวมั่งนะบางคนสวยอ่าคนก็สนใจมากแต่บางคนไม่สวยก็ยิ่งแต่งตัวที่มันจะ มีอะไระที่จะเรียกร้องความสนใจได้ก็ยิ่งทำใหญ่เลยนะหรือแม้แต่พวกวัยรุ่นทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อหรอกแต่บางทีทำผมเป็นสีต่างๆใครเคยเห็นผมสีรุ้งมั้งเคยไหมเคยเห็นเงี้ยโอ้โหผมสีรุ้งเลยนะเขาไม่รู้เขาเอาอะไรมาทาเอาอะไรมาอะไรอาจจะมาก็ไม่รู้ก็ใช้อะไรก็ใช้อะไรอ่ะสเปรย์เปลี่ยนสีผมเหรอ มันมันยังไงอ่ะเอามาฉีดเองแล้วมันก็เปลี่ยนเลยเหรอไม่ต้องไปเข้าร้านอะไรทำเองง่ายแล้วถ้าฉีดคิ้วคิ้วจะเปลี่ยนสีไหมคิ้วก็เปลี่ยนสีเหรออ่ออีกหน่อยคนจะมีคิ้วสีแปลกๆกเอาข้างข้างขวาสีเขียวข้างซ้ายสีแดงโอ้คงจะพิลึกอ่ะเนี่ยนั่นแหละเป็นการเรียกร้องความสนใจอาจจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าบางทีในครอบครัวเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะอึดอาขัดเคืองเพราะเรื่องเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นโดยตรงอาจจะไม่เก่งเลยแก้ปัญหานั้นโดยตรงไม่ได้หรือบางทีไม่ใช่ว่าไม่เก่งอาจจะมีความกลัวหรือว่าอาจจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นก็เลยเรียกร้องความสนใจกับเรื่องอื่นเพื่อให้เรื่องอื่นเนี่ยมาสมใจนะมาสมใจตัวเองมันก็เป็นการคลายความ คุณคล่องมองใจคลายความอึดอัดกัดกุ้งไปได้อย่างหนึง่งหรือถ้าเหมือนกับคนทั่วๆไปอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายบางทีเหมือนกับผิดหวังจากเรื่องเรื่องหนึ่งใช่ไหมก็ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเที่ยวเต อ, อะไรเงี้ยผู้หญิงก็ไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าไปอะไรอีกพวกผู้หญิงอะไปหาอะไรกินเออบางคนเอาบางคนนี่ เดินเที่ยวไม่สนนั่นนะโอ้โหกินแหลกเลยเอาไม่เพียงแต่กินแหลกนะยังซื้อกลับมาใส่เต็มตู้เย็น <c oughs> นะก็มันมีวิธีการอนะแล้วแต่ว่าใครจะทํำยังไงแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจนะเพราะความหลงในอัตตาของตัวเองยังหลงติดว่าตัวเองสําคัญคําว่าหลงตัวเองสําคัญเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า ego centric หลงความมีค่าแห่งตนเมื่อเห็นค่าของตนก็ย่อมก็ย่อมจะพยายามให้คนอื่นรู้ค่าของตนด้วยเราจึงเห็นจอมราชันนะรวมทั้งราชินีในคราบของปุถุชนเต็มไปหมดแหมเขาใช้สำนวนเพราะเหลือเกินนะทั้งนี้เพราะเขาเหล่านั้นต่างหลงในค่าชีวิตของตัวเองและเรียกร้องให้ทุกคน จะต้องยอมทุกคนจะต้องเอาใจทุกคนจะต้องเคารพศรัทธาเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องการสิ่งเหล่านี้ต้องการคนมารักต้องการคนมาสนใจต้องการคนมาเห็นใจต้องการคนมาเอาใจต้องการคนจะมายกย่องสรรเสริญ น, นะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันอยู่ที่วิธีการที่ว่าทำเราทำยังไงที่มาทำให้คนสนใจเราอย่างนี้ พวกที่ใส่เสื้อหมอหอมไม่ใส่รองเท้าตัดผมเกลียนเกลียนหรือว่าผู้หญิงตัดผมสั้นๆอันนี้เรียกร้องความสนใจใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าฮะเป็นเป็นวิธีการแก้ปัญหาหาทางออกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆรวยกับเขาไม่ได้ฮะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เดี๋ยวๆที่เอาเอาเอาถามถามเนี่ยถามเจ้าตัวพวกเราเองนี่ก่อนฮะเราไม่ใช่เรชพราะอะไรอ๋อเราจะประหยัดจริงหรือเปล่าความจริงเ่บัญชีเงินในแบงก์มีกี่บาทจริงจริงจนใช่ั้มไม่มีเงินไปซื้อเสื้อหรูๆก็เลยมาซื้อเสื้องมฮ อ, อมอย่างนั้นหรือเปล่า อ๋อจริงๆแล้วถ้าไม่มีก็ยังจะขอยังจะยืมเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อใส่สวยๆหรูๆใช่ไหมเหมือนกับคนจนที่ลดสนิยมสูงใช่ไหมมีเยอะแยะไปเลยคนจนลดสนิยมสูงแต่ตอนนี้จริงๆพวกเราไม่ได้จนนะพวกเราไม่ใช่คนจนจริงๆพวกเรามีเงินมีทรัพย์สินมีการงานมีฐานะมีตาแหน่งท้งโลกโลกเยอะซ้าไปแต่เล่ากับ มาประหยัดจริงๆด้วยเรามาใช้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและจริงๆก็ไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสนใจแต่คนมันสนใจเองทำไมทำไมถึงกลายเป็นจุดสนใจ เ, น เ, นเพราะมันตรงกันข้ามกับเขามันไม่ใช่แค่แปลกมันตรงกันข้ามกับเขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่านิยมของทั้งคนเขาต้องการโอ้โหสวยๆฟูฟ่าใช่ไหมให้มันเด่นเด แต่ตอนนี้เรากลับมาพยายามเรียบเรียบง่ายๆทรงผมก็พยายามทําให้ง่ายลงนะไม่ต้องไปสรนะ <c oughs> ไ, มสมสไม่ต้องไปเอ๊สระต้องสระนะไม่สระเดียวเห่าเต็มหัวนะก็ต้องสระแหละแต่ว่าเออไม่ต้องไปเซ็ตไม่ต้องไปทําผมทรงนั่นทรงนี้ไม่ต้องไปอะไรอะ่ะ <c oughs> ไปอะไรทําสีสันอย่างง้นอย่างงี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอีกอทรงผมเนี่ย เออทำไอเนี่ยไออะไรอนะ่ะไอมีหางอะ่ะเขาเรียก อ, อะไรอะ่ะมันไม่ใช่ลากสายไอลากสาสมัยก่อนนะมันมันอะไรอะ่ะมันยาวมาเยอะๆเลยใช่ไหมไอเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลากสาไอเดี๋ยวนี้เขาเรียกหางเต่ารู้ป่ะมัรู้หางเ ต, ต่าใช่ไหมเปล่ามันมีเยื่อออกมาอยู่หน่อยนึงอะ่ะยาวๆออกมาบางทีที่นี่ก็ยาวลงมา อั น, นี้ก็ยาวลงมาบางทีข้างหน้านยนะ่นยาวลงมาบางทีข้างหลังยาวลงไปอาตมาก็โออมันไม่รู้จะเรียกทรงอะไรไไทำให้หน้ามันหวานขึ้นเอออาตมาว่าดูมัน เ, เหมือนขยะอยู่เส้นมันตัดไม่เสร็จหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้นะนัะ่ น, นั่นแหละคือโรคๆเนี่ยเขาเขาจะหาวิธีที่จะเรียกร้องความสนใ จ, นใจแต่พวกเราเนี่ไม่ใช่เราเนี่ยทำเพื่อที่จะให้มันเรียบง่าย แลนะไม่ใช่เรียกร้องแต่เราจะทําให้เรียบง่ายแต่ไอความเรียบง่ายของเราเนี่ยมันตรงังข้ามกับเขาเพราะตร ง, งข้ามกับเขาเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดสนใจไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราอยากเป็นนะเพราะฉะต้องถามใจเราเองอาจจะมีเหมือนกันบางคนที่เวอร์เกินไปก็อย่างเช่นไอเสื้อธรรมดาประหยัดก็พอแล้วใช่ไหมแต่นี่โอ้โหปะมันซะจนยิ่งกว่าไออยู่ในพักกรยาจกซะอีกอะนะ คือขอทานยังไม่ยังไม่ปากขนาดนี้เลยนะโตแต่บางคนพวกเราปากยิ่งกว่าขอทานอีกไม่รู้เอาแบบเอหนังจีนกําลังภายในหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะเป็นหัวหน้าพักพญาโจกเขาต้องเขาต้องปากหลายรอยหน่อยถึงจะเป็นหัวหน้าพรกคยาโจกถ้ามีปากแค่หนึ่งที่สองที่นี่แสดงว่าเป็นเป็นอาวุโสระดับต่ําๆยังยังไม่ระดับสูงของโรกโลกเขา ถ้าเป็นระดับหัวหน้าพักในตางปะเยอะหน่อยบางทีนะนะ่มีเหมือนกันพวกเราที่กลายเป็นเรียกร้องความสนใจครับมีอันนั้นนะกายมันเกินแล้วมันไม่พอดีแนละ้วในความเรียบง่ายในความประหยัดมีความพอดีอยู่ด้วยนะไม่ใช่เวอร์ไม่ใช่เกินแต่ในความเรียบง่ายและความประหยัดนี่มันต้องตามศีลของคนนั้นนะตามฐานะศีลของคนนั้นที่เราจะต้องรู้เอาอย่างศีลห้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออ ฐานะอย่างศีลห้าเนี่ยควรจะแต่งตัวยังไงนะทรงผมหรือว่ารองเท้าอะไรต่างๆควรจะขนาดไหนนะพอขึ้นมาศีลแปเออถ้ายัางอยู่ในสังคมควรจะระดับไหนนะในเรื่องผมผ้าเสื้อผ้ารนะองเท้าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆแต่พอมาถึงศีล10บเอาละสิศีลที่เป็นเนนขึ้นมาเนี้ยทรงผมก็เรื่องทรงแหละ ทรงไม่เหลือแล้วนะทรงผมทรงศูนย์จะตาแล้วทรงทร ง, งเรียกว่าโลนแล้วนะอ้าวเห็นไหมพอเสื้อผ้าปั๊บเปลี่ยนชุดและตอนนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าแบบคารวานแล้ะเป็นชุดที่จะมีให้แล้ะเป็นแบบแบบนักบวชล้ะเห็นไหมรองเท้าเอารองเท้าไม่ต้องใส่แล้วยกเว้นจําเป็นเท่านั้นถึงจะใส่อแต่ถ้าไม่จําเป็นโดยปกติแล้วไม่ใส่รองเท้าเห็นไหมมันจะมีฐานะแต่ละขั้นตอนเนี่ย เราจะต้องรู้ว่าความพอดีของฐานะจะต้องมีแม้แต่เป็นเนนขึ้นมาหรือว่าเป็นพระขึ้นมายังมีเลยนะว่าผมเนี่ยโกนแล้วเนี่ยนะจะต้องไม่ยาวเกินกว่าแม้กี่องค์คุรีกัไปหรืออาตมาจําไม่ได้ถ้ายาวเกินกว่านั้นก็ไม่ใช่แล้วนะเริ่มไม่ใช่มีฐานะแบบศีลสิบหรือว่าศีลปฏิโมกแล้วนะเอามีทั้งนั้นมีข้อแม้ซึ่งอาตมา ถ, ถึงบอกว่าในแต่ละฐานะก็จะต้องมี มีความพอดีแม้แต่ G จีวรอนเอาผู้เจ้าธนตัด ว, ว, ว่าเอาใช้ผ้า3ามผืนน ะ, ะมีอะไรมีสังคติมีจีวจีวออ่าอ่เอาเอาทุกวันเนี้ยเอาเท่าที่มีอ่ะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราบอกว่าพอดีก็คือ2ชุดเข้าใจไหมแต่ถ้าถือว่าใครใช้เกินกว่านี้อ่ะเราถือว่าเนี่ยเยชักเกินแล้ว ซักมากเกินไปแล้วอ่าหรือว่าใครใช้น้อยกว่า น, นี้ปรากฏว่าเอาผืนเดียวจริงๆเลยอะนะเอาผ้ามาหม่มผืนเดียวฝนจะตกแดดจะออกจะอะไรก็ผืนเดียวนีวแ่แหละไม่ต้องซักกันแล้วถ้าซักก็คือกระโดดลงคลองไปเลยแล้วก็ขึ้นมา <laughs> นั่นแล้ปล่อยให้มันแห้งคาตัวไงนะนีแบบผืนเดียวจริงๆ <laughs> คือถ้าอย่างนี้มันก็เกินไปแล้มันไม่ใช่พอดีของของฐานะในแต่ละฐานะเห็นไหมอันนี้เราจะต้องเข้าใจเพราะถ้าอะไรมันเกินเนี่ยบางครั้งจับจิตด้วยดีว่าไอ้ที่เกินเนี่ยมันมีอยู่2 อ, อย่างคําว่าเกินเนี่ยคือเกินแบบขาดเข้าใจไหมเกินแบบแบบต่ํากับเกินแบบสูงเกินเลย <c oughs> เอานะมี2 อ, อย่างคือขาดเลยอีกอีกอย่างหนึง่ง ไปสังเกตดูให้ดีบางทีเนี่ยจิตเราเนี่ยที่มันไม่ยอมทําพอดีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าทําพอดีบางทีมันมันธรรมดามันไม่ค่อยแปลกประหลาดใครเขาเพราะฉะนั้นมันต้องทําให้เวอร์เกินหรือทําให้ขาดกว่าเขาแล้วมันจะเรียกร้องความสนใจนะเพราะฉะนั้นดูซิว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตรงกับที่เขาพูดอยู่นี่หรือเปล่านะนี่แหละจิตตัวนี้จึงเป็นจิตที่มายาสาไถแบบหนึ่ง มันมีมายาคอยจะอ้อซ้อออดอ้อนอยู่เสมอกายสักขีที่แสดงออกมาจึงกลายเป็นเสียงพูดซึ่งบางทีก็ไม่เต็มคําดูออดอ้อนคล้ายเสียงเด็กน้อยๆยก็เป็นได้ในเรื่องของความรักจึงทําให้คู่หนุ่มสาวหลายต่อหลายคู่กลับกลายเป็นเด็กทารกทำให้ทำให้คู่แก่แก่กลายเป็นเด็กน้อย อ๋อมีแต่จะอ้อยส้อยกันและกันร่ำร้องความเห็นใจกันอ้อยอิงไปมาหวังจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากอีกฝ่ายไม่มีใครคิดจะให้มีแต่คิดจะเอาเขาจะอยู่กันยืดหรือคืออันนี้เท่ากับว่าพูดว่าต่อให้เด็กก็ตามหรือต่อให้ผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าผู้แก่ก็ตาม ถ้าลองมีความรักมีความผูกพันนะอันนี้หมายถึงว่ากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นก็จะเรียกร้องความสนใจนะจะต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาเอาใจนะมาเอาใจหรือว่ามาเห็นใจมาชมเชยมายกย่องมาสารเสวนายัางต่างเพราะันไม่เกี่ยงเรื่องอายุกิเลสตัวนี้ไม่เกี่ยงเรื่องอายุไม่ว่าเด็ก ไม่ว่าคนหนุ่มสาวไม่ว่าคนแก่นะกิเลสมันไม่เคยละเว้นใครเลยนะเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเออดูซิเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะสังเกตดูความอ่อนแอความเป็นผู้วันไหวง่ายจึงยังมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของผู้นั้นจึงเป็นชีวิตที่เป็นหลักพึ่งพิงเป็นที่หลบร้อนหลบฝนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ใครบร้างที่อยากคบ กับคนประเภทนี้นะเขาบอกว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยวันไหวง่ายเรียกร้องมากเป็นที่พึ่งคนอื่นไม่ได้จริงๆแล้วคือคิดแต่จะพึ่งคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้เพราะฉะคนเจ้าแต่เรียกร้องจะให้คนมาเอาใจอย่างเงี้ยใครเขาจะไปพึ่งได้ล่ะไม่มีใครเขาพึ่งคนนี้ได้เเพราะคนนี้จริงๆแล้วมีแต่จะต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่าอะไร เพราะตัวตัวเขาเองเขายังพึ่งไม่ได้เลยแล้วใครจะไปพึ่งเขาได้ <c oughs> ทุกอย่างย่อมมีคติเป็นสองไม่ซ้ายก็ขวาการเรียกร้องความสนใจก็ฉันนั้นเมื่อไม่หยาบชัดก็ละเอียดซ้อนเมื่อไม่เปิดเผยก็ซ่อนเร้นเมื่อเด็กหนุ่มผ่านกลุ่ม เด็กสาวบางคนอาจพูดจาดังขึ้นในทางตรงข้ามบางคนอาจจะยิ่งปิดปากเงียบการแก้ปัญหาบางอย่างถ้าไม่ทำตัวให้แข็งแรงกระฉับกระเฉงก็กลับกลายเป็นความป่วยไขย้กระเสาะกระแสะตลอดเวลาที่ยังคงต้องเรียกร้องอยู่บทบาทของวิธีการเรียกร้องความสนใจมันจึงมีทั้งหยาบยิ่งกว่าม้าดี <c oughs> ขบอกว่าการเรียกร้องความสนใจมันจึงมีทั้งหยาบยิ่งกว่าม้าดีและขณะเดียวกันก็ละเอียดยิ่งกว่าลมหายใจเสียอีกคือตอนนี้เขากำลังเปรียบเทียบเนี่ยอย่างที่ตะกี้อาตมาบอกไปอ่ะพอดีเลยคือถ้ามันไม่ขาดมันก็เกินไอวิธีการเรียกร้องความสนใจมันจะเป็นอย่างนั้นนะวันไปสังเกตดูให้ดีอันนี้อาตมาว่าพวกเราต้องสังเกตดูให้ดีเพราะอันนี้คือความอ่อนแอของจิต ใครก็ตามถ้ายังไปสั่งสมในตัวอ่อนแอของจิตเนี่ยมันก็จะเรียกร้องอยู่เรื่อยเรียกร้องขาดบ้างเรียกร้องเกินบ้างมันไม่ค่อยเรียกร้องพอดีหรอกเพราะถ้าเรียกร้องพอดีเนี่ยมันจะทําให้ไม่เป็นที่น่าสนใจเพราะคนเรามันเลยจะทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยมันไปสังเกตดูถ้าคราวไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างเช่นนะเรามีกฎเรามีระเบียบของหมู่กลุ่มซึ่งออกมาแล้วว่าเออถ้าอยู่ในหมู่กลุ่มเรา ควรจะทาอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าบางทีไม่ได้หรอกถ้าทำอย่างนี้แล้วมันมันไม่เด่นมันไม่เด่นคนเขาไม่มองเพราะมันต้องทำอะไรที่มันมันเบอร์หน่อยอย่างเช่นบางทีเอาเขาให้นั่งเป็นระเบียบในแถวหรือถ้านั่งเป็นระเบียบในแถวหมดมันก็ไม่มีใครเด่นกับใครใช่ไหมมันดูมันก็เหมือนกันไปหมดน่ะมันเป็นระเบียบไปหมดช่องไฟมันเท่ากันหมด มันถ้าอยากดังนี่มันต้องโผล่ปไปนอกแถวเขาหน่อยนะหรือไม่ก็ถอ ย, อยเออกไปนอกแถวเขาหน่อยอ้าวแล้วมันจะเห็นชัดใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นจุดที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันอ่อนแอไม่ใช่กล้าหรอกนะบางคนบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่ า, าการเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยคือความกล้าบอกบอกทาไมแน่จริงอ่ะไม่กล้านั่งยืนหน้าออกมาหรอกนะ <laughs> ต้องแน่จริงถึงจะกล้านั่งยืนหน้าออกมา มันเป็นความกล้าที่เขาเขาคิดเนี่ยนะมันเป็นความกล้าแบบมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความหลงต่างหากหลงว่าไอ้ความไม่ดีเป็นความดีไอ้กล้าอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความกล้าแบบอะไรอ่ะจะได้นรกต่อไปมันไม่ใช่ได้สวรรค์เพราะคนที่แบบว่าจริงๆบางทีเขาก็อยากดังอยากเด่นเหมือนกันเน่ะอยากให้คนชมเหมือนกันเน่ะแต่เขายังสะกดใจได้แล้วก็เออนั่งให้มันเป็นระเบียบ น่าให้มันเป็นไปตามคนอื่นเขาซึ่งทำให้เขาไม่เด่นเนี่ยคนที่สะกดใจได้อย่างนี้ต่างหากล่ะคือคนที่เข้มแข็งสามารถเอาชนะใจตัวเองได้สามารถเอาชนะความอ่อนแอของใจที่จะเรียกร้องความสนใจเนี่ยเขาสามารถชนะได้เพราะคนอย่างนี้กลับเป็นคนที่เข้มแข็งนะสามารถพึ่งตัวเองได้สามารถบังคับใจตัวเองได้เนี่ยเนี่ยคือความแตกต่าง วันสำหรับหัวใจของพวกเหล่านี้ตราบใดที่ยังคิดจะเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลยังรักยังหลงคิดว่าตัวเองเป็นพระอาทิตย์อยู่เสียเรื่อยมองคนอื่นคล้ายเป็นดาววริวารที่จะต้องคอยเอาใจตนเองตราบนั้นชีวิตของเขาจะมีแต่ความเศร้าหมองและโกรธแค้นก็ใครบ้างที่จะสมปรารถนาตลอดเวลานะ นี้เขาก็เปรียบเทียบอะคนที่ชอบที่จะให้คนอื่นมาเอาใจเนี่ยก็เหมือนกับแม้จะให้ตัวเองเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางคนโน้นคนนี้คนนั้นไปเจอใครก็ตามก็อยากจะให้คนโน้นคนนี้คนนั้นเนี่ยมาเอาใจเราทั้งนั้นเพราะเท่ากับว่ามันเหมือนกับว่าหลงตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์นะเสร็จแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องมาคอยเอาใจก็เหมือนกับเป็นบริวารเป็นลิวลอที่จะมาคอยเอาใจ นั้นพวกทิหลงตัวเองอย่างเงี้ยในที่สุดหนีไม่พ้นหรอกถ้าไม่เกิดตัวทุกนะทุกหรือไม่ก็แค้นเพราะว่ามันจะต้องมีการไม่สมใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคนพวกนี้ยิ่งจิตใจตัวเองอ่อนแอเนี่ยมันจะเกิดอยู่บ่อยเกิดอยู่บ่อยแล้วยิ่งทำอย่างนี้เผลอๆไปเจอคนที่เขาหมั่นไส้เขาอยากจะสอนมั่งเขาอยากจะอะไรมั่งแล้วเขาก็แบบแข็งแข็งมั่งอะ่ะพวกนี้จะ จะเจ็บใจจะแค้นนะทำอย่างนี้กับเราได้นะบางทีก็โป้งโกรธโป่งนี่โกรธนะยกนิว้วโป่งนี่ไม่ใช่ไปยิงเขานะนะโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหะก็จะโกรธแค้นจะอะไรไม่สมใจอยู่บ่อยแล้วความจริงนะี่ยถ้าไม่รวยจริงฟังดูให้ดีนะไม่รวยจริงไม่เก่งจริง หรือว่าไม่มีอะไรที่ให้คนอื่นเขามาหวังโลภเอาผลประโยชน์แล้วนะใครเขาอยากจะไปเอาใจใครโรกโลกเนี่ยใครเขาอยากจะเอาใจใครมันไม่มีหรอกเพราะคนอื่นเขาก็อยากให้คนอื่นมาเอาใจเขาเหมือนกันโดยอำนาจของกิเลสรานแสดงว่าที่เขามาเอาใจเราเนี่ยนะสมมุติว่าเป็นโลกโลกเนี่ยนะเขามาเอาใจเราเนี่ยเขาต้องหวังผลประโยชน์อะไรแน่นอนถ้าไม่พอเงินไม่พอสวยไม่พอเกง่ง นะไม่เพราะอะไรอะ่ะมีความสามารถในการทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์เขาได้นะนั่นแหละเขาก็จะมาเอาใจเพราะคนโรโลกเนี่ยจะมาทําอะไรให้กันฟรีๆใครอ่ะใครจะโง่มันก็ไม่โง่หรอกหรือบางคนอ้าวอาจจะตั้งใจตอนแรกตั้งใจเสียสละให้จริงนะแต่ทําไปได้หน่อยถ้าโอ้โหคนนั้นมีแต่ต้องให้เอาใจเอาใจ เหมือนเด็กนี้ไม่มีใครเขาจะไปยอมที่จะไปอยู่ด้วยให้ทรมานเขาหรอกใช่ไหมให้ลำบากเขาวพราะในที่สุดเขาก็ไม่เอาแล้โอ้โหเพื่อนอย่างนี้นะหรือว่าคนทำงานด้วยกันอย่างนี้นี่ก็บอกไม่ไหวเราอย่างนี้เหนื่อยตายชัก